การเคลื่อนย้ายสริราของหลวงพ่อจากนาคุติไปสาราใหญ่บ่ายโมงวันนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านได้สั่งไว้นะในพินัยกรรมของท่านว่าให้ตั้งสีริราของท่านที่กุติประมาณห้าถึงเจ็ดวันและหลังจากนั้นก็ค่อยเคลื่อนไปที่สาราใหญ่แล้วก็ตามมาด้วยการ เคลื่อนย้ายสรีลาท่านไปที่เมนทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่เกินส5้าวันหลวงพ่อท่านได้กำหนดนะแล้วก็ออกแบบนะพิธีกรรมสำหรับการโปรงสรีระของท่านไว้ยอย่างชัดเจนซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งสิ้น เพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดคำถามว่าจะทำอย่างไรดีนะซึ่งก็ต่างคนต่างก็คงจะมีความเห็นแตกต่างกันไปกว่าจะตกลงกันได้ก็คงใช้เวลาหรืออาจจะตกลงกันไม่ได้ด้วยซ้ำนะหลวงพ่อท่านช่วยลูกศิษย์ลูกหาไวมากทีเดียวในการที่ระบุไว้ชัดเจนว่าจะให้ทำอย่างไรกับสรนนิฐของท่านเมื่อสิ้นลมแล้ว นอกจากระบุชัดเจนแล้วนะท่านก็ยังระบุให้การทำเกี่ยวกับศีลล์ของท่านเนี่ยเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองมากอย่างเช่นมีแค่เฉพา ะ, ะพิธีกรรมตอนเย็นและพิธีกรรมตอนเย็นก็มีแค่สวดมนต์ แล้วก็สวดมนต์แปลด้วยไม่ใช่สวดโดยที่คนฟังและคนสวดไม่รู้ความหมายสวดธรรมจักแปลสวดพิธรรมแปลพวกเราที่เคยไปงานศพฟังพระสวดพิธรรมมาเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วอาจจะเป็นพันจบแล้วได้ซ้ำแต่ไม่รู้ความหมายเลยมางานหลวงพ่อเนี่ยก็รู้เลยนะว่าหมายความว่าอย่างไรถึงแม้ว่าจะอาจจะยังไม่เข้าใจชัดว่า ความหมายเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องระดับประมัิมากเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรแต่งน้อยก็รู้ว่าคำบาลีที่พระสวดนั้นคืออะไรอันนี้ก็สำหรับวันที่เรียกว่าใช้ประกอบอาการาทำบุญ ในระหว่างที่รอการปรงศรีละของท่านครั้นถึงวันปรงศรีละคือวันที่หกเนี่ยพิธีกรรมก็ไม่มีอะไรยากง่ายๆเหมือนกันก็คือสวดมนต์นะก่อนสวดก็มีการแสดงธรรมครึ่งชั่วโมงสวดครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถวายพเพลิงท่านเลยนะ ไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีแม้กระทั่งการ <c oughs> พิธีทอดผ้าบังสุกุลหลวงพ่อท่านคงตระหนักดีว่าพิธีทอดผ้าบังสุกุลตอนนี้มันเฟอร์มากแต่ก่อนก็ทอดผ้ากันสักสองสามไตรบางแต่ก่อนก็แค่ไตรเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้มีการทอดผ้ากันเป็นส10ิบเป็นร้อยแต่เดิมคงเป็นสิบนะแต่ว่าพอเชิญแขกผู้มีเกียรติมาทอดผ้าแล้ว ก็เกรงว่าคนที่ไม่ได้รับเชิญจะน้อยใจหรือว่าก็จะรู้สึกไม่ดีกับเจ้าภาพก็เลยขยายจาก10เป็น20ตอนหลังก็กลายเป็นรนะ้อยโดยเพราะผู้ตายที่เป็นข้าราชการคนมีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้ก็ทอดผ้ากันเป็นร้อยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะกับข้าราชการนะชาว บ, บ้านธรรมดาเจ้าภาพก็ อยากจะทําแบบนั้นบ้างตามแบบราชการอย่างผู้หลงเมื่อเมื่อเดินที่แล้วนี่ก็มีการเผาศพก็ทอดผ้ากันเป็นร้อยเหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติกับแขกที่มาร่วมงานเพราะบางทีก็มีนายกเทศมนตรีมีสอสอมีครูมีผู้อำนวยการแต่ว่าทําไปนําไปนี่มันกลายเป็นการ ทําเพื่อหน้าตาของเจ้าภาพมากกว่าทําเพื่อเกียรติของผู้ตายเพราะผู้ตายก็คงจะไม่ได้ปรารถนาเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนี้ม <c oughs> แม้กระทั่งงานศพชาว บ, บ้านที่ผู้หลงนี่มันมีพิธีกรรมซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไปลอกเลียนมาจากในเมืองลอกเลียนมาจากข้าราชการนะซึ่งก็อย่างที่ว่ามักจะเป็นไปเพื่อหน้าตาของอเจ้าภาพมากกว่า ไม่อยากให้แขกหรือผู้มีเกียรติเขามองเจ้าภาพว่าทำไมไม่ให้ความสำคัญกับชั้นนะอันนี้กลายเป็นอย่างนี้ไปแต่ว่าพิธีกรรมของหลวงพ่อที่จะให้ทำในวันที่หกรวมทั้งวันอื่นๆก่อนหน้านั้นนะก็ไม่มีอะไรก็มีเท่านี้แหละมีแค่หนึ่งสองแล้วก็สามสามขั้นตอนเท่านั้นนะแต่ว่าก็คงมีญาติโ ย, ยมหลายคน คิดว่ามันต้องมีมากกว่า น, นี้นะถึงจะสมเกียรติหลวงพ่อแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าจะให้สมเกียรติหลวงพ่อนี่นะมันไม่ควรไปนเน้นที่พิธีกรรมหรือศาสนาพิธีแต่ต้องกลับมาให้ความสําคัญกับศาสนาธรรมอันนี้หลวงพ่อก็เขียนไว้ระบุไว้ในพิธีกรรมเหมือนกันว่าศาสนาพิธีให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ให้ความสําคัญกับศาสนาธรรมนะฉะนั้นถ้าจะให้เกียรติหลวงพ่อหรือว่าจะอ แสดงความเคารพหลวงพ่ออย่างแท้จริงอย่าไปเน้นเรื่องาศาสนพิธีให้มาเน้นที่าศาสนธรรมไม่ใช่กับใครนะกับตัวเองนะอย่างไรก็ตามน ะ, ะสิทธิยาณุสิ์ก็อยากจะทําอะไรเพื่อหลวงพ่อหลายท่านก็อยากจะพิมพ์หนังสือหลายท่านก็ขอพิมพ์ภาพของหลวงพ่อนะ อันนี้ก็เรียกว่าอยากจะมีส่วนในการทำบุญครั้งนี้แต่ที่จริงแล้วนี่หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ต้องการบุญแล้วนะงานสบส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทิธีิการทำบุญบาเพ็ญทักษิณานุปท า, านโดยความเชื่อว่าเป็นการอุทิศให้กับผู้ที่ล่งลับนะก็ะจึงมีการถวายสังฆทานมีอะไรต่างๆมากมายทั้งหมดเนี่ยเพื่อบุญกุศลของผู้ที่ล่งลับแต่หลวงพ่อนี่ท่านไม่ปรารถนาแล้วนะท่านไปพ้นแล้ว คนที่จะต้องการบุญคือพวกเราและยิ่งกว่านั้นที่ต้องการจำเป็นมากคือกุศล น, นะมาพิจารณาดูแลหลวงพ่อท่านาช่วยเหลือลูกศิลูกหามากนะไม่ให้เป็นภาระไม่ให้ท่านเป็นภาระกับพวกเรานะท่านก็ระบุอะไรเอาไว้ต่างๆไว้หลายอย่า ง, ท, งทั้งในพินัยกรรมแล้วก็ในบันทึกหลังจากนั้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะหลังตายนะท่วงที่ก่อนที่จะมรณภาพท่านก็ระบุไว้ว่า ไม่ควรทำอะไรกับท่านบ้างในยามที่ท่านเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้เช่นห้ามปั๊มหัวใจห้ามผ่าตัดใหญ่แล้วก็ห้ามใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเกิดว่าท่านหายใจไม่ได้ด้วยตัวเองนี่ท่านระบุไว้ชัดเจนนะนะซึ่งก็ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของสิทธิานุสิตนะว่าจะทำอย่างไรดีมันเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วในในกรณีของครูบาอาจารย์หลายท่าน เดี๋ยวพ่อหลวงพ่อพุทธธาสนะท่านที่ท่านก็ระบุไว้แล้วนะแต่ก็ไม่ได้ย้ำอย่างชัดเจนนะจนกระทั่งก็มีการตีความกันไปต่างๆนะแล้วก็ตามมาอีกหลายท่านอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของพวกเรานะซึ่งเป็นไม่ว่าจะเป็นพระหรือญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยถ้าไม่ระบุเอาไว้ มันก็จะมีปัญหานะเวลาตัวเองเจ็บป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ลูกหลานก็จะเถียงกันว่าจะทาอย่างไรดีจะยื้หรือไม่ยื้และส่วนใหญ่คะแนนก็จะเทไปทางยื้เอาไว้นะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเพื่อผู้ที่ผู้ป่วยแต่ว่าอาจจะเพื่อลบความรู้สึกผิดของลูกหลานที่ว่าไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยดูแลเลยนะพอ ท่านป่วยหนักแล้วเนี่ยก็อยากจะม า, าแสดงความกระตันอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยฉันยังรักพ่อรักแม่เพราะท่านเนี่ยหมอทำเต็มที่เลยนะโดยความเชื่อเนี่ยเป็นการแสดงความกระตันอยู่แต่ที่จริงมันเป็นการลบความรู้สึกผิดของตัวเองมากกว่าว่าไม่มีเวลามาดูแลก็กลายเป็นว่าการดูแลคนไข้หรือคนป่วยเนี่ยมันไม่ได้ทาเพื่อคนไข้แต่ทาเพื่อ ตัวเองทําเพื่อลูกหลานเพื่อไม่ให้ใครว่าว่าเป็นคนอกตันยูทําไมไม่พาแม่ไปโรงพยาบาลทำไมไม่ทําเต็มที่หรือว่าเพรลบความรู้สึกผิดว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการระบุไว้ชัดเจนแบบนี้นะมันก็หมดปัญหาที่จะถกเถียงกันปัญหาอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงและยิ่งถ้าระบุไว้ด้วยว่าตายเราจะให้ทําอะไรให้ทําอย่างไรมันก็จะช่วยเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ยังอยู่ นะไม่ต้องทะเลาะ ก, กันว่าจะทําอย่างไรให้สมเกียรติเพราะเวลาพูดถึงคําว่าสมเกียรติสมเกียรติคือการทําให้มากขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นทําให้มันซับซ้อนมากขึ้นก็กลายเป็นความฟุง้งเฟอ้อและห่างไกลาจากศาสนธรรมไปอันนี้กนะ็ให้พวกเรานะได้ลองเอาท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็ได้เตรียมตัวไว้นะจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานที่ยังต้องอจัดการกับเราเวลาป่วยหนักหรือเวลาที่เราสิ้นลม เตรียมรับพร